ช่วงกันพูดคุยธรรมะที่เรามาพบปะเจอเจอกันทุกวันท่านฟังเรา นฤว่ว่าบุคคันใดบุคคลหนึ่งที่ต้องบพุชชาประกาศนั้นเพราะว่าเอ่อคือข้อมูลนั้นก็ดีนํา นั่นดีเป็นไปเพื่อการที่ให้เอากิเลสออกจาก แต่ถ้านังมีไอ้พวกนั้นน่ะคือความไม่ดีอย่างอื่นแล้วแม้เราจี้ดเรา นับออกเข้าสู่ใจแล้วนํามันทําให้ไอ้ความไม่ดี 3 โลกนะที่ 3 สามแดนโลกธาตุนรกกําเดาเดรัจฉานเปรมิสัยเคยไปมาหมดนะสวรรค์ 2 ตัวผู้ที่ประกาศเองนี้ก็ไม่มีกิเลสแล้วด้วย เอ่อเราเห็นได้นะผู้นําบางคนนะหรือว่าคนบางคนเนี่ยบอกให้คนอื่นทําอย่างหนึ่งตัวเองก็ไม่ทําแล้วเป็นอย่างนี้แต่คนออกกฎหมายเองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นไปหลาย เออตัวเองไม่มีกิเลสทํายังไงพูดอย่างนั้นน่ะมีคุณสมบัติเอ่อที่เรียกนับ ก็ไม่ใช่เพื่อลบล้างละทิอื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เพื่อต้องการให้คนอื่น มีความรู้สึกเวทนาแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกเวทนาเนี่ยแหละเป็นตัวรวมลงแห่ง มันมันจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันจะทําให้เรามีความทุกข์เราลองดูจิตของเราก็ได้เรามีความสุขอยู่ เราต้องไม่ไปตามคนอื่นต้องไม่ไปตามคนอื่นนะไม่ตามคนอื่นเนี่ยหมายความว่าบางทีคนส่วน รีแม้แต่เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเค้ามีต่างๆใช่มั้ยเออเราคิดว่าแหมแอปพลิเคชันนี้คนดาวน์โหลดเยอะแฮมน่าจะคืออันนี้ไม่ เอ่อมีคน 2 คนก็เป็นเพื่อนกันคน 2 คือ 2 คนนี้เป็นเพื่อนกันกันอยู่แต่ว่ามีนิสัยที่แตก ส่วนนายขาวนี่ก็เป็นคนที่รักษาศีลอยู่เป็นแต่คน 2 คนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิท 2 คนนี้นายขาวเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเอ่อทำความดี ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั้นเทวดาอยู่บนสวรรค์ท่านฟังมันก็มีความ นางกินเข้าไปเสร็จแล้วก็ต้องเผิงพลังในการย่อยนางกินมากอร่อย นะแล้วก็ไม่ได้ว่าต้องเคี้ยวด้วยเนื้อรถชาติก็เป็นรถ รู้สึกดีละแต่ตัวเองเป็นธรรมดาก็สบาย เอ่อพอเกิดเป็นหนังอยู่ในถ่านสุมของพระเนี่ยเทวดานายขาวนี่ก็ เลยทักทายกันว่าอ้าเป็นไงล่ะเพื่อนแนบอยู่ที่ไหนสบายดีมั้ยเนี่ยเทวดาในเพื่อนทําไม ไปไหนยังต้องหอบไปโอ้โหมันลําบากมากเลยนะเอ๊ะหนอนอเทวดาในขาวก็เลยสงสัย ปู่นูมาตรงเวลาทุกวันเลยนะฉันมีกินอยู่ตลอดนะไม่อดด้วยไม่ต้องเนรมิตเอาแล้วฉัน ก็พยายามจะอธิบายถึงความกว้างขวางของที่อยู่ตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะต่างคนต่างไม่เข้าใจกันก็เลยอย่าง หนอนในดําก็บอกอ่ะไปๆแต่ว่าถามข้อนึงก่อนก่อนจะไปนะบน หนอนๆนี่ยุบยับอยู่ในถ่านส่วม นะซึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าก็สัตว์เดรัจฉามันมากอ่ะเอาแค่แล้วนั้นแล้วถามว่าเราจะไปตามคนหมู่ มันต้องมีมาตรฐานในการวัด 1 มีศีลมั้ยมีจาคะมั้ยมีปัญญามั้ยสมองอ่ะมีมั้ยน่ะๆดําเนินชีวิตของเรา มาพบ